สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเช้า ว, วันนี้เราอยู่ใน20กฎทองคํากฎข้อที่16นะครับคือกฎแห่งการได้รับอนุ ญ, ญาตหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นกฎแห่งการตอบคําอธิษฐานของพระเจ้าและศัจธรรมความจริงของพระเจ้าของพระเจ้าก็ยังปรากฏในพระวจนะพระเจ้าตอนเดิมเหมือนเมื่อวานนี้นะครับก็คือพระธรรมสองโครินบทที่12ข้อที่7ถึงข้อที่เ การอ่านพระชนะของพระเจ้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องจะต้องอ่านพระชนะของพระเจ้านะครับอย่าฟังเสียงสิทธิพิบาลทดแทนการเฝ้าเดี่ยวแต่ใช้เสียงสีบานเพื่อที่จะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับจะต้องไม่หนีจากพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้า2โครินธ์บทที่12ข้อ7ถึงข้อที่9โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไป เนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็สรงให้มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเรื่องหนามใหญ่นั้นข้าพเจ้าวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงสมครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการมีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธ เต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อริดเดทของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า2โครินบทที่12ข้อที่7ถึงข้อที่9นะครับผมจะอ่านข้อที่9การมีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนริดเดทของเราก็มีริดเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อริดเดดของพระคริสต์จะได้อยู่ในขั้วปเจ้าพี่น้องครับวันนี้เราเข้ามาถึงประเด็นที่2ครับท่านก็ยกตัวอย่างประสบการณ์ของบรรพชนแห่งความเชื่อท่านหนึ่งก็คือวิลเลียมแคร์รีวิลเลียมแครรีนั้นเป็นผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นบิดาของการประกาศกิตติคุณเป็นบิดาของการประกาศพระกิตติคุณประกาศเขาผประเสริฐ เป็นบิดาของการรณนนรงค์การประกาศข่าวประเสริฐระดับโลกท่านนั้นเป็นช่างทำรองเท้าครับและที่ที่ท่านนั่งทำรองเท้าทุกๆวันซึ่งเป็นการเลี้ยงชีวิตของท่านเลี้ยงชีพของท่านท่านแขวนแผนที่โลกไว้ที่ผนังตรงหน้าท่านคําถามของคนหลายหายคนก็บอกว่าท่านแขวนแผนที่โลกไว้ทําไมครับแขวนแผนที่โลกไว้ตรงตร ง, ตรงฝาผนัง ที่ท่านนั่งทําองเท้าทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อการอธิษฐานอธิษฐานครับท่านอธิษฐานเผื่อการประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลกทุกวันทุกวันตลอดเวลาเลยครับเมื่อท่านเงยหน้าขึ้นมามองแผนที่ท่านก็อธิษฐานพี่น้องครับเมื่อท่านอธิษฐานเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกทุกวัน สิงทน อ, อธิษฐานก็คือขอพระเจ้าส่งคนงานของพระองค์ออกไปขอพระเจ้าส่งคนงานของพระองค์ออกไปขอพระเจ้าส่งงานคนงานของพระองค์มาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ที่สุกแล้วที่เหลืองอลาล์มแล้วแต่ดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของท่านไม่มีใครยอมออกไปเลยครับนี่แหละครับคือสิ่งที่นนทศาสตราจารย์ดรฟิลิปทึงบอกว่าไม่ตอบคำอธิษฐานพระเจ้าตอบแบบไม่ตอบครับ ถามว่าพระเจ้าตอบแบบไม่ตอบอะไรเกิดขึ้นครับท่านวิลเลียมแคร์รีท่านในที่สุดเป็นผู้ตอบสนองเองครับท่านซึ่งเป็นช่างรองเท้ากับกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เป็นมิชชันนารีที่มีสีสันมากที่สุดท่านอาศัยความชำนานด้านภาษาไปที่ประเทศอินเดียครับพระเจ้าประทานให้ท่านมีโอกาสรับ สิทธิพิเศษสูงมากเลยครับในการแปลพระคัมภีร์ให้ชาวอินเดียถึง3ภาษาด้วยกัน3ภาษานั่นเป็นภาษาอะไรบ้างครับภาษาสันสกฤตภาษาเบงกาลีและภาษามาราฐีสภาษาด้วยกันครับนั่นคือชีวิตของมิชชันนรีที่อธิษฐานเผื่อพันธกิจโลกเผื่อการประกาศข่าวประเสริฐระดับโลก อธิษฐานขอให้พระเจ้าส่งคนงานของพระองค์ออกไปอธิษฐานด้วยความร้อนรนแต่พระเจ้าตอบว่าไม่พระเจ้าไม่ตอบคอําอธิษฐานของท่านที่ให้คนอื่นออกไปแต่พระเจ้าบอกว่าคุณต้องออกท่านต้องออกไปเสร็จแล้วการตอบสนองในการไม่อนุญาตพระเจ้าอนุญาตให้เกิดอีกแบบหนึ่งครับในที่สุด ท่านวีนิมแกรี่กลายเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของพันธกิจโลกเลยทีเดียวคนเป็นหมืน่นเป็นแสนได้มีโอกาสอ่านพระกัมภีจนขั้นถึงทุกวันนี้เหมือนพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานครับแต่กลับได้ประทานเกินกว่าที่ท่านคิดได้ขอได้พระเจ้าทรงให้คำอธิษฐานของท่านนั้นสำเร็จผลโดยที่พระเจ้าไม่ได้ตอบคาอธิษฐาน ตามที่ท่านขอพระเจ้าตอบอีกแบบหนึ่งพี่น้องครับนั่นคือบทความสั้นๆแต่ว่ามีความหมายยาวครับแล้วก็มีการใช้ประยุกใช้ยาวมากถามว่ายาวยังไงครับคำตอบก็คือว่าหลายๆเรื่องทีเดียวเวลาที่เราอธิษฐานนะครับเราอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็จริงแต่พระเจ้า ตอบในระดับที่สูงกว่าเหมือนอย่างที่เมื่อวานนี้ผมได้อธิบายไปแล้วพระเจ้าตอบคำอธิษฐานที่สูงกว่าโดยที่พระเจ้านั้นได้ให้เราเข้มแข็งพระเจ้าให้เรามีความชื่นชมยินดีความภาคภูมิใจและได้รับสิทธิพิเศษยิ่งใหญ่มากครับพี่นงครับหลายครั้งพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานตามใจเราพระองค์ตอบแบบไม่ พระองค์ตอบไม่ตรงใจของเราพระองค์ตอบอยังไม่ชอบใจของเราแต่นั่นคือพัฒยไทยน้ำพัตยไทยของพระเจ้าครับพระเจ้าตอบแล้วพี่น้องครับเราจะเข้าสู่สภาวะการที่ยิ่งใหญ่มีสิทธิพิเศษและสามารถทํางานรับใช้พระเจ้าได้กว้างขวางมากยิ่งกว่าเดิมอีกมากมายนักพี่น้องครับมีเวลาเหลือเล็กน้อยผมอยากจะ คิดถึงและเป็นพยานถึงชีวิตของผมเองเดิมทีนั้นพระเจ้าผมไม่เข้าใจพระองค์จริงๆว่าทำไมพระองค์จึงให้ผมเองนั้นเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุ29ตอนที่ผมกำลังรุ่งเรืองกำลังประสบความสำเร็จในวิชาชีพทันตแพทย์สำหรับเด็กแต่ว่าในที่สุดพระเจ้าก็เปิดเผย เมื่อยิ่งรับใช้พระเจ้ายิงนานขึ้นเมื่อยิ่งได้มีโอกาสทําเสียงสิทธิพิบาลแล้วเป็นพระพรให้กับผู้อื่นอีกมากมายพระเจ้าตอบกับอธิษฐานเมื่อผมอธิษฐานเริ่มต้นอยากจะทําเสียงสิทธิพิบาลผมก็ได้พูดกับตัวเองว่าจะทำไหวหรือแล้วทํานี้เริ่มต้นแล้วก็จะต้องมีจุดสิ้นสุดหรือไม่พี่น้องครับผมอธิษฐานของพระเจ้าอย่างหนึ่ง ขอการคอนเฟิร์มจากพระเจ้าพระเจ้าไม่ตอบอะไรมากมายแต่ผมอธิษฐานขอว่าขอให้พระองค์ได้ทรงประทานสุขภาพที่ดีให้กับผมเพียงพอที่ผมจะพูดได้ทุกวันพี่น้องที่เป็นแฟนคลับพี่น้องจะสังเกตได้ว่าพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานครับแม้ว่าบางครั้งผมเป็นวัดแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ไม่มีเสียงเสียงอาจจะขึ้นข่นคาดเล็กน้อย แต่พี่น้องครับพระเจ้าอย่างสัต์ซื่อพระเจ้าอย่างดีพระเจ้าเลือดประเสริฐพระเจ้าน่ารักผมสามารถเป็นพยานได้พระเจ้าหลายๆลครั้งทีเดียวพระองค์เราไม่เข้าใจครับแต่พระองค์ทรงมีน้ำพระทยัยและผมรู้สึกภาคภูมิใจผมรู้สึกเข้มแข็งผมสามารถที่จะจดจ่ออยู่กับพระเจ้ามีวินัยกับพระองค์ทุกๆวันและความมีวินัย ที่พระเจ้าประทานให้นั้นเป็นพระคุณและพระพรให้กับพี่น้องมากมายเหลือเกินจริงๆเกินกว่าที่ผมขอได้คิดได้ครับดังนั้นเองจึงอยากจะให้ชีวิตของผมเองนั้นจะเป็นบทเรียนให้กับพี่น้องหลายๆท่านครับขอพระเจ้าได้รับเกียรติข้าพเจ้าจะต้องต่ําต้อยลงแต่พระองค์จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นอาเมน